ก็ความในวิทยะหาระสัมปาตะหน้า115ธงรมทั้งปวงที่ถึงความเป็นฐานะและอาฐานะโดยนยะที่กล่าวแล้วนี้เป็นสังคตะธรรมก็ฐานะก็เป็นชื่อของปัจจัยใช่ไหมฐานะก็ชื่อของปัจจัยอาฐานะก็คือไม่ใช่ปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสังคตะธรรม สิ่งใดก็ตามที่เป็นสังคตะธรรมคือถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นขยะคําว่าขยะนี่โดยเป็นภาษาบาลีแปลว่าสิ้นไปหรือเสื่อมไปไม่อ่านเสียงว่าขยะแต่อ่านว่าขยะขยะวะยะก็คือขยะนั่นแหละแปลว่ามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่สิ้นไปหรือเสื่อมสภาพหมดสภาพสิ่งนั้นแหละเรียกว่าสังคตธรรม คือสังขารธรรมที่มีกว่าความสิ้นไปไวยธรร ม, มังก็คือเสื่อมไปเป็นธรรมดาอั้นคําว่าวัยวัยนี้โดยศรรัพทแปลว่าเสื่อมขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็มีวิรัชชปราศจาราคะเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นแปรไปเนี่ยยังคิดจะจะยังชอบตามเดิมอยู่หรือเมื่อสิ่งนั้นหมดไปแล้วดับไปแล้วแปรไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งเหล่านั้นยังเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจตามเดิมอีกอยู่หรือพระอง์ก็เลยบอกว่ามีความปราศจากราคะเรียกวิรัชธรรมะเนี่ยนะมีความคลายกำหนัดเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสังขารธรรมทั้งหลายสังขตะธรรมทั้งหลายสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหล่านี้ที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปแล้วก็คลายกำหนัดเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็จริงว่า ก่อนไปลอยไปล่อยไปปล่อยไปล่อยปลาไปเจอไหใส่กระดูกร้ายไหายเดยกันหม้อใส่กระดูกเหมือนกันเอาอะไรนะกระดูกที่ไปลอยน้ำใช่กระดูกไปลอยน้ำเห็นไหมที่เชียงรายที่แม่น้ำกกบอกโอ้ยเนี่ยนะเจ้าของกระดูกเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นที่พอใจของคนไม่ใช่น้อย แต่บัตรนี้ให้กระดูกนี่ล่องลอยไปในยนะกระดูกมันก็ไปแตกกระดูกก็กระจัด ก, กระจายอยู่แถวนั้นแล้วแล้วก็ไปกระจายที่ทะเลพันสิ่งใดก็ตามสังขารธรรมใดก็ตามสังขารธรรมเหล่านั้นในที่สุดก็ไม่ได้เป็นที่รักใครพอใจอีกต่อไปสังขารเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสังขารภายในหรือสังขารภายนอกก็ตามสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็เป็นที่คลายความพอใจเป็นธรรมดา ก็เหมือนกับว่าดอกไม้สังเกตดูอะนะดอกไม้ไหวเจดีของเราก็ไปเห็นแต่ตอนดอกไม้งามๆไหวพระเจดี y, F, ใช่แล้วที่เขาเก็บซากซากดอกไม้หละดอกไม้เหล่านั้นก็เป็นที่ที่คลายความพอใจไปในที่สุดในที่สุดก็เป็นที่คลายความพอใจสังขารธรรมทั้งหลายสังขตธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เช่นนี้แหละในที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งความคลาย ถึงว่าเราจะยืดสักปานใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็มีแต่ความคลายไปเป็นธรรมดาเน่นะเพราะเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็อย่างว่านะทั้งขยะทั้งทั้งขยะแปลว่าทั้งขยะทั้งวยะแปล ว, ว่าเสื่อมนะทั้งสิ้นทั้งเสื่อมแล้วก็หมดความน่าพอใจในที่สุดสิ่งนั้นก็หมดสภาพไปเป็นธรรมดาเรียก ว, ว่าดับไปเป็นธรรมดาของมัน แต่ก็เนี่ยนคือผลของฐานะผลของปัจจัยทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งทั้งมวลล้วนแต่เป็นอย่างนี้โดยที่สุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกไม่นานคนจะไม่รู้จักชื่อของพระองค์แล้วเนี่ยนะไม่นานสักเท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆแห่งในประเทศไทยก็เริ่มไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเริ่มเปลี่ยนศาสนาเริ่มอะไรกันไปเยอะแยะไปหมดละ เพราะว่าสังขารธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วะบุคคลที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมบางพวกย่อมเข้าถึงสวรรค์บุคคลที่ประพฤติไม่สมควรด้วยธรรมบางพวกย่อมเข้าถึงอบายบุคคลที่ประพฤติอริยมรักษ์บางพวกย่อมเข้าถึงนิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยเกิดมายังไงมันตายหมดเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น ทีนี้ถามว่าตายแล้วมันจะไปไหนอ่ะท่านก็เลยบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปคนที่ทำความชั่วก็ไปสู่อบายไปคาว่าอบายเป็นชื่อของนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานไปอยู่เผ่าไหนเนาะวันเสาร์ที่แล้วไปปล่อยไปไหว้พระตรงวัดเทวราชกุญชรไปกรุงเรืองนี่พอไปก็ไปดูท่าน้า โอ้ยปลาเนี่ยโยมเอ้ทั้งกรุงเทพไปอยู่บ่อ น, นั้นเนี่ยมไม่พอหรอกเนี่นยเยอะจริงๆรนะินไเยอะเยอะมากนะตกเข้าไปถ้าเราเป็นอาหารเนี่าสงสัยมันขมือบไม่กี่ทีหมดเกลี้ยงเลยอับบายภูเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นพันพูที่ประพฤติไม่เป็นธรรมแล้วบางคนก็บอกโอ้ยงั้นคนชั่วก็าทำชั่วกันเยอะแยะทำชั่วกันมากมายก็ไปอบายหมดสิก็ไปดูปลากันแล้วกันว่ามันน้อยตัวซะที่ไหนตรงท่าน้ำตรงวัดเทวราชกุญชรไปดูเะ อันนี้เฉพาะที่เดียวนะแล้วที่อื่นๆอีกเท่าไหร่นะเฉพาะที่เดียวนะอบายภูมิเนี่ยมันมากขนาดนั้นนั้นผู้ที่ทำความชั่วก็ไปสู่อบายไปสู่สถานที่ที่ไม่เจริญไปสู่สถานที่ที่เสื่อมไม่ได้แช่งแต่เขาไปตามกรรมของเขาไปตามสิ่งที่เขาทำคําที่เขาพูดความนึกคิดของเขาไปตามสภาพนะไม่ใช่ไปตามความปรารถนาไม่มีใครต้องการความเลวรอกไม่มีใครต้องการความเสื่อมรอก แต่สิ่งที่เขาทำนี่มันเหตุแห่งความเสื่อมทั้งนั้นเหมือนอย่างว่าในชาวโลกเนี่ยนะใครต้องการให้บริษัทธุรกิจของตัวเองล่มจมมั่งไม่มีแต่วิธีการเนี่ยมันทําเพื่อความล่มจมฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันผู้ที่เกิดมาอย่างน้อยที่สุดก็อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยโดยมากเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกมันหมูส่สัตว์ทั้งหลายเหมือนเขาเกิดมาสาบตัวเอง เกิดมาแช่งเกิดมาสาบเกิดมาสบทสบาลให้แก่ตัวเองเพื่อที่จะได้ไปตกต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำคําที่เขาพูดนั้น่ะที่สุดของสิ่งนั้นคืออะไรนะถ้าเรียนมหาศีหน้าสูจะรู้ว่าเขาบอกเขาไม่ต้องการความทุกข์หรอกแต่เขาบ่ายหน้าไปสู่ทะเลทรายเขาบอกเขาอยากจะอยู่ในที่สงบร่มเย็นที่สบายอาหารอุดมสมบูรณ์แต่เขาเดินหน้าบ่ายไปบา่ า, ป า, บายหน้าไปหาทะเลทรายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น เขาบอกว่าเขาจะอยู่บนแผ่นดินใหญ่ๆแต่เขาบ่ายหน้าไปสู่ทะเลแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เนี่ยเขาจะประสบอะไรมนุษย์ทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ประพฤติไม่สมควรแก่ธรรมก็เลยไปสู่อบายส่วนที่ประพฤติอยู่ในธรรมคือประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็สุขติก็เหมือนเราเนี่แหละที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นผลของสุขติแสดงว่าในอดีตประพฤติธรรมมา แต่ก็อย่างว่าทุกวันเนี่ยมันเป็นผลของอดีตเหตุแล้วปัจจุบันเหตุละ่ะมันเป็นตัวบอกถึงอนาคตผลต่อไปว่าผลที่จะมีต่อไปคืออะไรเนาะตกลงควรจะเป็นอะไรดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้วัดที่ที่ความอยากนะเขาวัดที่ความประพฤตอนะเขาวัดที่ที่กุศลและอกุศลไม่ได้วัดด้วยเหตุผลของชาวโลกแต่วัดไปตามคุณภาพ <le ans> เหมือนอย่างว่าก็บอกว่าอาจจะดื่มเหล้านะมันจะดื่มด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเถอะมันก็คือดื่มสุราจะสูบบุหรี่จะสูบด้วยเหตุผลใดมันก็คือสูบบุหรี่ไอติดเชื้อโรคจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเถอะมันก็คือติดเชื้อโรคฉันใดบุญบาปก็เป็นสิ่งที่เป็นฉันนั้นเหมือนกันเข้าวัดกันที่สภาพของของตัวจิตใจเนี่ยนะมันก็สุดแท้แต่เจตนาว่างั้นเถอสุดแท้แต่เจตนา ภาษาไทยก็เลยใช้คำว่ายะถา ก, กรรมก็คือไปตามกรรมก็แล้วกันคือไปตามสภาพของคุณภาพเจตนาเพราะถ้าจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามสมควรแก่เจตนาในอดีตแล้วตามผลแห่งบุญในอดีตที่ทำไว้แล้วแต่พบใหม่ต่อต่อไปที่จะเกิดที่ไหนก็สมควรแก่เจตนาในชาตินี้นี่แหละว่าเจตนาดวงที่เจ็ดของชาตินี้ตามสมควรแก่เจตนาดวงที่สองของดวงที่หใน ชาติที่แล้วเป็นต้นไปว่าพบใหม่ของเราควรจะเป็นอะไรเนี่ยนะอันนี้เรียนทศพลายานที่สองเนะเรียกว่าสัพพะทัามินีปฏิปทายานข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายในที่ทั้งปวงที่ไหนบ้างเขาแบ่งมันสามกลุ่มอบายสวรรค์แล้วก็นิพานก็แบ่งสามตำแหน่งแค่นี้แหละแบ่งเป็นรวมๆอ่ะนะสำหรับผู้ที่ประพฤติอริยมรตปฏิบัต คิดว่ากรร ม, มัคคยะกรังกระทากรรมเพื่อให้สิน้นเจริญอริยมรรคกระทาความสิ้นไปแห่งกรรมย่อมเข้าถึงพระนิพพานนะเพราะว่ากระทาเหตุเพื่อตัดต้นเหตุที่นำปฏิสนธิในภพทั้งปวงก็ย่อมปรินิพพานท่านพระองค์จึงตรัสไว้อย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแสดงว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น ลดย่อนหน่อยไม่ได้หรือพิเศษหน่อยได้ไหมขอเราเป็นคนพิเศษเอาไหมให้อายุห้าหมื่นปีแต่มันแก่แบบเนี้ทุกวันทุกวันไปเรื่อยนะมันแก่ทุกวันอย่างนี้อะไรเรื่อยๆนะอายุห 0,000 ่นปีเอาไหมปัวยุบัเอาไหมไม่เอาเนาะกลัวเลยนะบอกห 0,000 ื่นปีนะอาห้าร้อยนี่ก็แย่เต็มทีแล้วนะนั่นก็แต่ว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละสรุปว่ามันไม่มีใครเกินหรอกเขามาก็ยกไปเวอเวอร์กันแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เกินถึงร้อปีหรือเนี่ยนะ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงผลแห่งบุญและผลบาปก็จะเป็นไปตามกรรมเพราะผู้ทำกรรมชั่วจะไปสู่นรกหมายความว่าก่อนตายนึกถึงความชั่วที่ตัวเองทามาเข้าถึงนรกส่วนผู้ทำกรรมดีจะไปสุขติส่วนอีกคนหนึ่งเขาเจริญอริยมรรค แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานด้วยอนุภาพของอริยมรรคเนี่ยนะก็ตัดเหตุแห่งกรรมทั้งหมดก็ไม่ปฏิสนธิต่อไปคำว่าเสร็จสัพเพสัตตาโดยสัพเนี่ยนะโดยสัสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้ติดข้องในขันห้าสัตว์นะสัตว์เนี่ยสัตตภาษาบาลีแปลว่าติดข้องในขันห้าติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความติดข้องในขันหเรียกว่าสัต แต่ว่าสัตว์ทั้งปวงในที่นี้รวมทั้งพระอริยะและปุถุชนที่ไม่ใช่พระอริยะผู้นับเนื่องในอุปาทานขันห้าแล้วก็ผู้ที่ตัดชันทราคะตัดชันทราคะในขันห้าคำว่าสัตว์ทั้งปวงในที่นี้พูดแบบไม่มีส่วนเหลือแต่โดยปกติคำว่าสัตว์นั้นหมายถึงผู้ที่ยึดติดในอุปาทานขันห้าเท่านั้นแต่ตรงนี้นก็อมความไปถึงพระอรหันด้วยเพราะว่าพระอรหันถึงจะสิ้นขันห้าไปแล้วท่านก็มีความตายเป็น ที่สุดรอบเนี่ยนะมันสรุปว่าผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีแต่ที่นิยมใช้คำว่าสัตว์เพื่อให้คนที่ยังยึดติดในขันธ์ห้าสังเวชว่าถึงเราจะติดขนาดไหนเราก็ต้องจากใช่ไหมจากไปเรื่อยๆนี่นะคำว่ามริสันติแปล ว, ว่าจากตายแค่ว่าจากตายด้วยความตายสองอย่างด้วยกันก็คือตายเร็วกับตายช้าทันตะกับอ่เรียกว่าทันทากับทันทนเนี่ยนะ บุคคลผู้นับเนื่องในอุปาทานขันห้าทั้งหลายเป็นประเภทอธรรทมรณะตายช้า ม, มากเต้มตายช้าแปลว่าดีสิจะได้อยู่ยืนยืนใช่ั้มแปลว่าอย่างงี้ใช่ไหมอา้าวตายชา้านี่เ อ, อดีอายุจะได้ยืนยืนหมายความว่าพวกนี้ตายอีกนานเนี่ยนะตายอีกนานตายอีกนานกับว่าอีกนานจะตายนี่คนละอย่างกันนะอาตายอีกนาน กับอีกนานจะตายไม่เหมือนกันฟังให้ดีถ้าหากว่าคนอายุยืนแล้วอีกนานจะตายแต่ตรงนี้ใช้คำว่าตายอีกนานนะแปลว่าตายบ่อยๆตายเนืองเนืองตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าประเภทตายช้า <c oughs> ก็โดยสับนะแต่ว่าโดยสำนวนแท้จริงหมายคือว่าตายอีกนานเนี่ยนะอีกนาน ส่วนผู้ก้าวล่วงพ้นขันห้าตัดฉั้นราคะในอุปาทานขันห้าหมดอาลัยอาวนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ตายเร็วนะที่จริงทันธานแปลว่าช้าใช่ไหมเออทันทาทันทา น, นี่แปลว่าช้านะอะทันทานแปลว่าไม่ช้าก็คือเร็วขอโทษทีนะว่าผู้ที่นับเนื่องในขันห้าเนี่ยนะผู้ที่ยึดติดในขันห้าท่านบอกว่าตายเร็ว แต่ก็เกิดเร็วแล้วก็ตายเร็วอีกต่อไปส่วนผ้าอาหารทั้งหลายก็ถือว่าเรียบร้อยนะตัดสาเหตุแห่งความเกิดเรียบร้อยแล้วคำว่ามรณนตังหิชีวิตตังเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดความว่าที่สุดของชีวิตคือที่สุดคือความตายไม่ว่าจะตายเพราะสิ้นอายุหรือว่าตายเพราะความดับไปแห่งอินทรีย์เนี่ยนะตายเพราะสิ้นอายุนี่แปลว่าเช่นว่า ตายตามอายุไขตามอายุไขว่าเกิดมาแล้วควรจะตายเท่าไหร่เขาเรียกว่าตายตามอายุส่วนตายเพราะทำลายแห่งชีวิตตินรีก็คืออินรีเสียหายก่อนที่จะสิ้นอายุเช่นประสบอุบัติเหตุและชีวิตตินรีแตกทำลายไปเขาบอกว่าสาเหตุแห่งความตายเนี่ยนะก็ด้วยปัจจัยหลายประการใช่ปัจจัยที่ทำให้ตายมีอะไรบ้างก็เพราะธาตุสีกาเริบ ที่รวมๆแล้วก็คือธาตุสกําเริบเนี่ยตาย1นธาตุดินทําให้ตายได้ไหมธาตุดินภายในภายนอกทําให้ตาย 2. อธาตุน้ําภายในหรือธาตุน้ําภายนอกทําให้ตาย3าธาตุไฟภายในหรือธาตุไฟภายนอกทําให้ตาย4ีธาตุลมภายในหรือธาตุลมภายนอกทําให้ตายสรุปตายได้หมดแหละแล้วต่อไปบางคนก็ตายเพราะอาหารเนี่ย ตายเพราะอาหารไหมครับว่าเกินอาหารเกินบ้างอาหารน้อยบ้างอาหารผิดประเภทบ้างอันนี้ก็ตายอีกหนึ่งก็คือเพราะจุติจิตเกิดก็เลยตายเนี่ยนะถึงร่างกายจะอยู่ดีก็หลับตายเป็นต้นเนี่ยนะวันนี้ก็เลยตายไปสรุปว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบยะถากรรมมังคิดสันติจับไปตามกรรมไม้คาว่าผู้มีเจตนาเป็นของตนหรือมีกรรมเป็นของตน พันก็จักสมควรแก่เจตนาเจตนาดีก็ไปดีเจตนาไม่ดีก็ไปไม่ดีคําว่าปุญญตาปะผลกปะคาผู้เข้าถึงผลแห่งบุญและบาปหมายคำว่าเป็นผู้เห็นผลแห่งกรรมและผู้ไม่ปราศจากผลแห่งกรรมอย่างที่เรามาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเห็นผลของบุญแล้วนะเห็นผลของบุญแล้วนะแล้วต่อไปล่ะอะไรไปดีเอ่ยพกอะไรไปนาะ ก็พกสิ่งที่ทําคําที่พูดนี่แหละมันไม่ได้พกแบบกระเป๋าอะไรหรอกทุกคําที่เราพูดไปนั่นแหละคือเสบียงทางของเราทุกทุกอย่างที่เราคิดนี่แหละคือเสบียงทางของเราทุกอย่างที่เราทํานี่แหละคือเสบียงทางของเราเราทําเสบียงหรืออะไรกันแน่ <c oughs> <g lusion> ก็ขอให้มันเป็นเสบียงเถอะนะถ้าหากว่าสิ่งที่กายกรรมสิ่งที่ทําคําที่พูดสิ่งที่คิดเป็นกุศลสิ่งนี้ก็เป็น สเสบียงทางเนี่ยนะเป็นญาติที่คอยรอรับอยู่รายทางไปเรื่อยแต่ถ้าทําบาปเนี่ยนะก็วางอะไรไว้บ้างวางศัตรูไว้รอบทางไม่หมดเลยนะเรียกว่าวางกับดักให้ตัวเองในอนาคตทั้งหมดพร่อะไรเพ่อเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เนื่องจากอยู่ไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายมีแต่ไปกลับไปไปไปเรียกขโตไปแล้วเนี่ยไปไหนล่ะคะนี้สุดแท้แต่จะไปไหนคําว่าไปเนี่ยนะขะโตก็คือแบบไปแล้วคติก็คือที่ไปจะไปไหน เพราะไม่สามารถจะอยู่กับที่ได้ไหมสังขารทั้งหลายไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันมีแต่คำว่าไปกับไปไปแล้วไม่มีย้อนกลับด้วยกลับไปหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นต้นได้ไหมไม่ได้มีแต่ไปกับไปเสร็จแล้วไหนที่สุดก็ไปแก่ไปเจ็บและก็ไปตายตายแล้วไปไหนไปเกิดต่อไปเนี่ยนะไปเรื่อยและเกิดที่ไหนตามสมควรแห่งผลบุญและผลบาปคนทาชั่วล่ะนิรยังปาประกรรมมันตา คนที่ทำความชั่วจะไปสู่อาบายหมายคมว่าอากุศลกรรมเนี่ยตบแต่งให้เกิดในอาบายทุกติวินิบาตนรกและก็เดรฉานคาว่าปุญญกรรมมาจะาสุขติ้งผู้ทำความดีจะไปสุขติหมายคมว่าผู้ที่มีบุญกุศลปรุงแต่งจกไปสู่สุขติคาว่าอาปรเรจมัดขังภาเวตาวาปริณิพา น, นติวะนาสวา เป็นนิพพานที่ล่วงพ้นหมายคือว่าส่วนคนอีกพวกหนึ่งเจริญมรรคแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะย่อมปริเนพานหมายความว่าเป็นนิพพานที่เป็นเหตุล่วงพ้นจากสังขารก็คือทําลายสังขารได้หมดเกลี้ยงแล้วด้วยคําว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักต้องตายเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป ผู้ทํากรรมชั่วย่อมไปสู่นรกอันนี้แสดงปฏิปทาที่ตกต่ําและเล่าร้อนต่ําขนาดไหนต่ําขนาดตัวนิดเดียวเนี่ยนะต่ามากเดี๋ยนะตัวกี่มิลดีก็บางตัวนี่ไม่ตัวนิดเดียวนะตัวเล็กมากเลยนะเรียก ว, ว่าต้องใช้ไมโครอนวัดนะนิดเดียวตัวน้อยมากแล้วถ้าใบานะบายที่ต่าละเอียดละเอียดละเอียดวันนั้นก็เล็กมาก นั้นก็ตกต่ำแล้วก็เร่าร้อนกี่องศาดีก็สุดแท้แต่ว่าพบไหนนะทานนรกก็ก็หลายหมื่นองศาั้นถ้าความชั่วก็เป็นเหตุให้ตกต่ำส่วนคนอีกพวกหนึ่งเจริญมักเป็นผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานอันนี้แปลว่ามัชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายตรงมัชชิมานี้ก็คือข้อปฏิบัติสายตรงตรงต่อไหน ตรงต่อความพ้นทุกตรงต่อความดับทุกข์บาปกรรมที่ท่านกล่าวไว้ในคํานี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงผลแห่งบุญและบาปผู้ทํากรรมชั่วจะไปสู่นรกอันนี้ชื่อว่าสังกิเลสเป็นความเศร้าหมองเนี่ยนะสังกิเลสคือทุจริตเนี่ยนะสังกิเลสคือความชั่วทางกายวาจาและใจ ย่อมยังสงสารให้เกิดด้วยความตายและการป เ, เป็นไปตามกรรมอย่างนี้คำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายผู้ทำกรรมชั่วจกไปนรกอันนี้เป็นการแสดงวัฏฏะเหล่านี้คือทุกขวัตรกรรมวัตและเกเลสวัตหมายคือว่าเมื่อไปเกิดในสถานที่ที่ไม่ดีจะมีความสุขไหมก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไหมอย่างที่ว่าเป็ น, ปนสัตว์เดรัจฉานที่เขาแกลเนื้อบางพวกก็ถูกแกลแบบ แบบเป็นๆใช่หมก็ถูกแล่อยู่นั่นแหละอันนี้ทุกขวัตวัตตทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อทุกเสร็จก็มาทํากรรมใช่ไหมก็พยายามดิ้นรนด้วยกายกรรมวิมจิกรรมและมโนกรรมตามแรงแห่งกิเลสกิเลสพาไปไหนต่อไปประสบแต่ความทุกข์เมื่อประสบทุกข์ก็มาทํากรรมทํากรรมกิเลสก็เกิดต่ออีกก็ามาเสวยทุกทุกก็มาทํากรรมกรรมแล้วก็มีกิเลสต่อไปเมื่อใดจะจบเมื่อใดจะสิ้นบอกไม่มีสิ้นหรอก คำว่าส่วนคนอีกพวกหนึ่งเจริญมรรคแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานอันนี้เป็นการแสดงการปราศจากวัตฏะการวนเวียนแห่งวัตฏะสามเพราะกําจัดกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมเมื่อเป็นอันสิ้นกรรมก็จบ ก, ก็คือสิ้นทุกข์ด้วยคําว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายผู้ทํากรรมชั่วย่อมไปสู่นรกนี้เป็นการแสดงอาทินวะผู้ทํากรรมดีจกไปสู่สุคตินี้เป็นการแสดง อัศธาคนอีกพวกหนึ่งเจริญมักแล้วก็เป็นผู้ไม่มีอาสะวะย่อมปรินิพานเป็นการแสดงนิสรณะนะและก็แสดงสัจจะสี่ใช่ไหมอัศธาอาทีนวะและนิสรณะนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายจนถึงผู้ที่ทํากรรมชั่วจะไปสู่นรกอันนี้เป็นการแสดงเหตุและแสดงผล น, นะแสดงให้รู้เหตุว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลขันห้าชื่อว่าผลตัณหาชื่อว่าเป็นเหตุ ส่วนคนอีกพวกหนึ่งเจริญมกักไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานอันนี้แสดงมักและผลบา ป, ปรกรรมที่ท่านกล่าวไว้ในคำนี้ว่าสาัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายเพราะว่าชีวิตของสัตว์เนี่ยนะมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงผลแห่งบุญและบาปจากไปตามกรรมผู้ทํากรรมชั่วจกไปสู่นรกอันนี้เป็นสังกิเลสสังกิเลสมีสมอย่างด้วยกันสังกิเลสคือตันหาสังกิเลสคือทิฏฐิและสังกิเลสคือทุจริต ในเทศน า, าระเนี่ยน ะ, ะขออภัยวิจยาระวิพังเนี่ยนะเป็นการแสดงอะไรแสดงปุจฉาวิสัชนาเรียกว่ามีมีหัวข้อในการวิจัย11อย่างใช่ไหมวิจยาระนั้ น, นเป็นการวิจัยธรรมะ11อย่างคือวิจัยบท วิจัยปุจชาวิสัชนาคําหน้าคําหลังอนุคีติวิจัยอัสาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอานัตเนี่ยนะในหน้าสองสาสิบสีเนี่ยจะเห็นการวิจัยฉะนั้นในหารสัมปาตะวิจัยหาระสัมปาตะก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นอัศธาอะไรเป็นอาทีนวะอะไรเป็นอานัตที่พระพุทธเจ้าแนะนําเป็นต้นเนะี่ยนะก็เป็นการวิจัยให้ดู พูดถึงสังกิเลตคือความเศร้าหมองเนี่ยนะสังกิเลสคือความเศร้าหมองด้วยอํานาจตันหาทิฐิหรือทุจริตสังกิเลสพึงแสดงด้วยตันหาสามอย่างสังกิเลสคือตันหาแสดงด้วยตันหาสามตันหาสามมีอะไรบ้างกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาบุคคลถูกดึงไปสู่รถแห่งอารมณ์ด้วยวัตถุใดๆพึงแสดงด้วยวัตถุ น, นั้นๆ ก็คือการมตัญหาเนี่ยพาไปสู่อะไรการมตัญหาก็ติดในวัตถุกลามเพระนั้นวัตถุ ก, กามก็ดึงไปไหนก็ดึงไปเกิดในกามประพบส่วนผู้ที่มีรูปปัตนหาก็ถูกดึงไปในรูปประพบผู้ที่มีอรูปปัตนหาก็นาไปสู่อรูปประพบเนี่ยนะเพราะนั้นตัญหาก็ดึงดึงไปสู่วัตะดึงไปสู่ภูมินั้นนั้นส่วนรายละเอียดของตัหาตะแบ่งเป็นเหมือนตะข่ายนะ การเรียกว่ากระจายกระจายเหมือนแห่ก็จะได้ตันหา36ตันหาที่วิจิต36มมีอะไรบ้างก็คือกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตันหาสามคูณรูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะและธรรมรมณ์3คูณ6เท่ากับ3คูณ6เท่ากับ18ตันหาภายในกับตันหาภายนอกรวมกันเป็นนะคูณ2เท่ากับสา เรียว่าตันหา36มสินความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองด้วยอำนาจตันหาก็คือก็คือถูกตันหา36มหกนี่ฉุดลากพาไปนะถูกกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาฉุดไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและธรรมารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตันหาภายในฉุดไปบ้างตันหาภายนอกฉุดไปบ้างบรรดาสังกิเลสเหล่านั้นทิฏฐิสังกิเลสพึงแสดงด้วยอุเฉทิฏฐิและสัสตทิฏฐิ นนะทิฐิสังกิเลศสังกิเลศคือความเศร้ามองเนี่ยนะบุคคลย่อมใส่ใจด้วยวัตถุใดๆด้วยอํานาจทิฐิว่าความเห็นนี้เท่าความเห็นนี้เท่านั้นจริงความเห็นอย่างอื่นว่างเปล่าก็คือว่าถ้าฉันคิดแล้วมันจริงคนอื่นคิดอ่ะไม่ใช่หรอกนะเงี้ยอย่างนี้แหละจริงอย่างอื่นไม่ใช่หรอกอันนี้เรียกว่าอีทางสัจจาพิเนเวสกายขันทนะนะพวกนี้เครื่องร้อยรัดคืออํานาจของมิจฉาทิฐิมิชฌาทิฐิเหล่านี้เนี่ยนะบางพวก คือว่าสัตว์ตายแล้วอะไรนะโลกเที่ยงบางพวกบอกโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงหรอกบางพวกบอกโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงบางพวกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงเพราะว่าโลกจะเที่ยงอะไรนะสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงบางพวกบอกใบ่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ไม่เป็นอีกบางพวกก็บอกเป็นอีก็มีไม่เป็นอีกก็มีบอกบางพวกบอกเป็นอีก็ไม่ใช่ไม่เป็นอีก็ไม่ใช่แต่ว่ารวมๆสรุปการก็ตกอยู่ในอำนาจของสัตตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นแหลรายละเอียดของมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นก็เป็นทิฏฐิหกก็คือทิฏฐิที่ปรารภอดีต18ปรารภอนาคต44ก็เป็นทิฏฐิ2กสิบสอง น, นะพันพวกมิจฉาทิฏฐิ ถ้านับย่อๆก็คือส ก, กายทิฐิขยายออกมาก็คืออุเฉ ท, ทิฐิและสตทิฐิทิฏฐิเหล่านี้ถ้ากระจายออกไปก็เป็นทิฏฐิหกบรรดาสังกิเลสเหล่านั้นทุจริตสังกิเลสพึงแสดงด้วยเจตสิกกรรมคือเจตนาทุจริตเนี่ยนะก็แล้วแต่เจตนาแสดงด้วยทุตจิตสคือกายทุตจิตวจีทุจริตและมโนทุจริต ความพิสดานแห่งทุจริญเหล่านั้นเป็นอกุศลกรรมบท10บ น, นะความชั่วทางกายมีสความชั่วทางวจีมีสี่ความชั่วทางใจมีสรกายทูตเจริญสามวจีทุจริญสมนโนทุจริญสรวมเป็นอกุศลกรรมบม10ทั้นผู้ที่ทําความชั่ว น, นะผู้ที่มีตัณหานนะเรียกว่าเศร้ามองด้วยอํานาจตัณหาทั้งกรรมตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาหรือสังกิเลสคือ ทิฐิทั้งอุเชตทิฏฐิสัตตทิฏฐิหรือทุจริตสคือกายะทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเป็นต้นจะด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้ไหลเวียนอยู่ในวัตฏะนี่แหละความบริสุทธิ์ที่ท่านแสดงไว้ในคํานี้ว่าส่วนคนอีกพวกหนึ่งเจริญมรรคแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานอันนี้เป็นความหมดจดเนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์แท้จริงคือตรงกันข้ามกับความ เศร้าหมองเศร้าหมองก็เศร้าหมองด้วยตันอำนาจของตันหาทิฏฐิและทูจเจริตส่วนความหมดจดก็คือหมดจดจากตันหาหมดจดจากทิฏฐิแล้วก็หมดจดจากทุจเจริศหมดจดจากทุจริสด้วยศีลหมดจดจากตันหาด้วยสมาธิหมดจดจากทิฏฐิด้วยวิปัสสนาหรือด้วยปัญญาพันศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวที่ทาให้หมดจดจาก ตันหาหมดจอดจากทิฏฐิและหมดจดจากทุจริตก็ผู้ใดถ้ากล่าวว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนมีศีลก็เอาทุจริตมาตรวจสอบดูถ้าบอกผู้ใดเป็นผู้มีสมาธิก็เอาอะไรมาตรวจเอาตันหามาตรวจดูถ้าบอกว่าเป็นผู้มีปัญญาก็เอาทิฏฐิทั้งหลายมาตรวจดูเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวกำจัดตันหาทิฏฐิและทุจริต ในความหมดจดสามประการเหล่านั้นตันหาสังกิเลสย่อมหมดจดด้วยสมถะสมถะนั่นแหละเป็นสมาธิเป็นสมาธิขันเป็นกองแห่งสมาธิทิฏฐิสังกิเลสความเศร้ามองด้วยทิฏฐิย่อมหมดจดด้วยวิปัสนาวิปัสนานั้นชื่อว่าปัญญาขันคือกองแห่งปัญญาทุจริตสังกิเลสย่อมหมดจดด้วยสุจริตสุจริตนั้นเป็ น, น, นศีลขันวัีลสมาธิ แล้วก็ปัญญาเป็นตัวกำจัดตัณหาทิฏฐิและทุจริตศีลกำจัดทุจริตสมาสมาธิกำจัดตัณหาปัญญากำจัดทิฏฐิเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วจึงนำออกจากกองทุกข์ทำไมพระพุทธศาสนา จ, จึงเน้นศีลสมาธิปัญญาก็เนื่องจากว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวกำจัดตัณหาทิฏฐิและทุจริตนั่นเอง ศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ถ้าอธิบายขยายความออกไปเมื่อเช้าว่ากล่าวแล้วก็คือมักมีองแปดใช่ไหมศีลขันคืออะไรศีลขันสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสมาธิขันล่ะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิปัญญาขันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ